บทที่45ชายแปลกหน้าตะวันรอนอ่อนแสงลงขณะเคลื่อนตัวช้าๆไปทางทิศประจิมลมพัดเฉยเฉีวต้นข้าวไวเอลล้อเล่นลมดูเริงร่าอยู่บนผืนนากว้างที่วัดกลางทุ่งสมพันตุไตุ้ยห้าสิบเศษยืนดูช่างและคนงานกำลังสร้างอุโบสถโดยมีมัคณายกและกรรมการวาดอีกสามคน มาช่วยแสดงความคิดเห็นการก่อสร้างเริ่มมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะสำเร็จลุล่วงภายในต้นปีหน้าถ้าเสร็จทันก่อนเข้าพรรษาก็จะดีนะครับท่านสมพานเวลาบวชนาจะได้ไม่ต้องไปขอใช้ของวัดอื่นเหมือนที่แล้วแล้วมาเอาจมูกคนอื่นมาหายใจเนี่ยไม่ดีเลยมัคณายกปรารถขึ้น อาตมาคิดเหมือนกันกับโยมนั่นแหละเอาใจช่วยกันหน่อยก็แล้วกันยังไงยังไงก็ให้เสร็จก่อนอาตมาตายนะไม่งั้นคงตายตาไม่หลับท่านสมพานอย่าเพิ่งพูดเรื่องตายสิครับพวกผมใจคอไม่ดีท่านยังหนุ่มอายุเพิ่งห้าสิบกว่าเองพวกผมตั้งเจดิบกันแล้วยังไม่คิดเรื่องตายจริงไหมในภายถามพักพวก จริงครับท่านสมพานผมคิดว่าตัวเองจะอยู่ต่อไปจนอายุถึงร้อยเรื่องตายไม่เคยคิดในมุมเห็นด้วยท่านต้องอยู่สวดอภิธรรมศพให้พวกผมก่อนอย่าเพิ่งด่วนมรณะภาพนะครับลูกหลานผมคงลำบากแย่ถ้าหากว่าต้องไปนิ ม, มนต์พระวัดอื่นมาสวดเพราะหมู่บ้านเราห่างไกลจากวัดอื่นๆขนาดวัดกลางทุ่งซึ่งอยู่ใกล้หมู่บ้านที่สุดก็ยังไกลเพราะ มาตั้งอยู่กลางทุ่งสมชื่อจริงๆคนพูดคือมรคนายกเห็นคนทั้งสามเข้าใจผิดๆเช่นนั้นสมพานจึงชี้แจงว่าที่พกโยมพูดมานั่นน่ะแสดงว่ายังไม่เข้าใจธรรมชาติของโลกและชีวิตจึงตั้งอยู่ในความประมาทนับว่าอันตรายมากประมาทยังไงครับนายสีมาสงสยัย ประมาทตรงที่ว่าตัวเองจะอยู่ไปจนถึงร้อยปีอย่างที่โยมมุมพูดหรือว่าที่โยมไผ่พูดว่าไม่เคยคิดเรื่องตายก็เป็นการตั้งอยู่ในความประมาทเช่นกันถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคนที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทต้องคิดเรื่องตายนะสิครับเอผมว่ามันยังไงยังไงอยู่นาะนายมุมยังคล้องใจถูกแล้ว ผู้ไม่ประมาทพึงระลึกถึงความตายอยู่เนืองๆพึงพิจารณาเห็นความจริงว่าชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนเราต้องตายแน่เพราะชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงหรือว่าจะภาวนาว่าความตายจากมีอินทรีย์จะขาดก็ได้ เมื่อพิจารณาหรือภาวนาดังนี้เนืองๆแล้วจะเป็นผู้ไม่กลัวต่อความตายพร้อมที่จะตายอยู่ตลอดเวลาเมื่อทําได้อย่างนี้ก็จะไม่ทําบาปไม่ถูกชักจูงไปด้วยอํานาจของกิเลสอธิบายสั้นที่สุดก็คือคนที่ระลึกถึงความตายอยู่เสมอนั้นเขาจะไม่ทําชั่วเมื่อไม่ทําชั่วพอตายลงก็ไม่ต้องไปสู่ทุกคติ คือทุกขติภูมิมีนรกมีเปรตอสุรกายและก็เดรัจฉานเข้าใจหรื อ, อยังละ่ะสมภารตู้อธิบายด้วยถือเป็นหน้าที่ของบรรพชิตในการบอกทางสวรรค์ให้กับเคารษะผมกลัวว่าถ้าเราละลึกถึงความตายบ่อยๆจะทำให้เราอายุสั้นนะสิครับนายสืบว่าออกแปลกใจในคำสอนของสมภารผู้อ่อนวัยกว่า ไม่เกี่ยวกันหรอกโยมคนที่อายุยืนอายุสั้นนั้นขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำมาต่างหากกรรมอะไรครับทําให้อายุสั้นครับมัคคณายกถามปาณาติบาตนะสิการทําชีวิตให้ตกล่วงทาให้ผู้กระทําอายุสั้นคนที่ชอบฆ่าชอบปรุงชีวิตโยมเคยเห็นเขา อ, อายุยืนบ้างไหมล่ะสมณะถามคฤหัดไม่เคยเห็นครับ เคยเห็นแต่อายุสั้นเพราะไปฆ่าเขาตัวเองก็เลยถูกเขาฆ่าบ้างเป็นโกงเกวียนกำเกวียนในมุมเป็นคนตอบถูกแล้วที่เขาเรียกว่าเป็นไปตามกฎแห่งกรรมทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นดังที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่า บุคคลหวานพืชเช่นไรก็ยอมได้รับผลเช่นนั้นทำดีก็ยอมได้ดีทำชั่วยอมได้ชั่วอันนี้ก็เป็นกฎธรรมชาติที่เราเรียกกันว่ากฎแห่งกรรมนั่นแหละสมภารวัยห้าสิบเศษอัราทิบายแล้วที่ผมพูดว่าจะอยู่ไปจนอายุร้อยปีนั้นท่านว่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างไรครับนายมุมยังไม่หายสงสยัย ประมาทตรงที่โยมไม่ขวนขวายไม่เร่งทําความดีนะสิเพราะคิดว่าเราจะอยู่ต่อไปอีกนานยังไม่ต้องทําความดีก็ได้ไว้ใกล้จะตายค่อยทําการคิดอย่างเนี้เท่ากับว่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะในความเป็นจริงเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่เกิดตายวันนี้พรุ่งนี้ ก็เป็นอันว่าไม่มีโอกาสได้สร้างความดีจึงไม่มีสเสบียงติดตัวไปปราโลกสเสบียงในที่นี้อาตมาหมายถึงบุญกุศลก็เปรียบเหมือนการเดินทางถ้าไม่มีสเสบียงกลังมาด้วยก็จะอดอยากหิ้วโหยหรือถึงกับตายลงโดยยังไม่ทันถึงจุดหมายปลายทางอาตมาระลึกถึงความตายทุกวันจึงพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ในฐานะที่เป็นสมภารเจ้าวัดคิดว่าเมื่อสร้างอุโบโสถเสร็จแล้วก็จะสร้างกุฏิกรรมฐานอีกสักสิบหลังเป็นอย่างน้อยงานสาเร็จแล้วจะได้นอนตายตาหลับเพราะไม่มีอะไรต้องห่วงใยอีกท่านยังไม่มรณภาพหรอกครับต้องให้พวกผมไปก่อนคนเกิดก่อนก็ต้องตายก่อนจริงไหมครับนายสีมาเอ่ยขึ้น มันไม่แน่นอนเสมอไปหรอกโยมคนที่เกิดทีหลังตายก่อนก็มีอัตมาเคยเห็นพ่อแม่ทำศพให้ลูกมากก็มากใช่ว่าลูกจะทำศพให้พ่อแม่เสมอไปพวกโยมอาจจะต้องมาทำศพให้อาตมาก็ได้ใครจะรู้ท่านสมพันธ์อย่าพูดเป็นลางอย่างนั้นสิครับพวกผมใจคอหดหูหมดมักคณายกว่า ทำไมต้องหดหูก็อาตมาสอนอยู่โยกๆยกว่าให้ระลึกถึงความตายอยู่เนืองๆต้องทำให้ได้นะเป็นชาวพุทธต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์มิฉะนั้นก็ได้แค่ชาวพุทธเพียงในานามอย่างที่คนส่วนใหญ่ก็เป็นกันไม่เฉพาะแต่คฤหัสถ์หรอกนะผู้ที่เข้ามาบวชในพระธรรมวินัย แต่ไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรก็มีอยู่ไม่น้อยในอนาคตพวกนี้จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นจะสร้างความมัวหมองให้กับพระศาสนาพวกเขาไม่ได้บวชเพื่อจะเป็นสักยบุตรพุทธโอรสแต่ต้องการจะเอาศาสนาเป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตัวเองเมื่อคนเหล่านี้มาปะปนอยู่กับพระแท้ ประชาชนที่ขาดปัญญาก็เลยเมาเอาว่าพวกพระเช่นนี้เหมือนกันหมดจึงพากันเลิกนับถือพระไม่ศรัทธาอีกต่อไปสากยะบุตรพุทธโอรสจึงเป็นเพียงคนโกนหัวห่มผ้าเหลืองในสายตาของพวกเขาคาาชายนายหนึ่งเดินเข้ามานั่งคุกเข่าประกองอันชลีพูดกับสมพานว่าพระคุณเจ้าที่เคารพกระผมรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้า ด้วยว่าเดินทางรอนแรง ม, มาแสนไกลจึงใครขอความเมตตาจากพระคุณเจ้าขอจงได้โปรโดอนุญาตให้กระผมพักอยู่ในอารามนี้สักเจ็ดราตรีเมื่อครบกาหนดแล้วกระผมจะขอนมัสการลากลับคืนสู่เคหาที่ป่าไกรโพนสม่านตุเห็นว่าคาถาชายผู้นี้พูดจาแยบคายดีจึงได้ถามขึ้นว่าโยมาจากไหนละ่ะจากป่าหิมพานอรับ สมภาวรวัยห้าสิบเศษเพ่งพินิษบุรุษตรงหน้าเสื้อผ้าแต่งกายดูเกา่าขำคราผมเผ่าเป็นกระเซิงมีย่ามละวะใบย่อมสะพายไว้ที่บาข้างซ้ายนอกนั้นก็ไม่เห็นอะไรนายสายตาของคนทั่วไปอาจจะมองว่าเป็นขอทานหรือไม่ก็เป็นคนวิกลจริตแต่สำหรับท่านไม่ใช่ทั้งสองอย่างแต่จะเป็นใครนั้น ท่านก็ยังไม่แน่ใจนักรู้แต่ว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาคิดดังนี้จึงพูดขึ้นว่าที่วัดนี้ยังไม่มีที่พักสำหรับอคันตุ ก, กะหากไม่รังเกียจเชิญพักทิกุติอัตมาก็แล้วกันโนนอยู่ทางโนนท่านชี้ไปที่กุติซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของศาลาขอพระคุณขอรับกระผมขอตัวไปเข้าพักเดี๋ยวนี้เลย เขากราบสามครั้งแล้วลุกออกไปกลิ่นสาบสางโชยมากระทบนาศิก์ประสาทสมพานและกรรมการวัดมรณายกพูดขึ้นว่าท่านสมพานอย่าให้มันพักเลยครับถ้าทางไม่น่าไว้ใจ เป็นคนจรหมอนมิ่นมาจากไหนก็ไม่รู้ดีไม่ดีจะแอบขนสมบัติพระสถานท่านไปจนเกลี้ยงกุฏิก็ได้อาตมาไม่มีสมบัติพระสถานอะไรใหร้เขาขนหลอกโยมเขาเป็นแขกมาขอพักพิงเราเป็นเจ้าของบ้านจะผลักสายไล่ส่งไปก็ดูกะไรอยู่อย่างน้อยก็ควรคิดว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายที่เราต้องช่วยเหลือเกื้อกูล โบราณท่านสอนว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองนะสิครับท่านสมภานในมุมอ้างโบราณนายีมารีบเสริมว่ารีบตัดไฟใะ่แต่ต้นลมยังดีกว่าวัวหายแล้วล้อมคอกนะครับโยมสมพานตุรู้สึกละอายในความดิ่มรันของขฤาหัดผู้สูงวัยกว่าโยมอายุมากๆกกันแล้วถ้าจะเปรียบก็เหมือนไม้ใกล้ฟัง จะถูกลมพัดหักโคตลงวันใดก็ยังไม่รู้ได้ทำไมโยมไม่รีบสร้างคุณความดีให้เป็นตราประทับไว้กับโลกล่ะแค่ให้ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์โยมก็ยังไม่ทำกันทำกันไม่ได้แล้วนะับประสาอะไรจะไปสร้างคุณความดีที่สูงกว่านี้นี่อาตมาขอตาหนิตรงๆเลยนะเมื่อถูกผู้อ่อนไวกว่าตาหนิเช่นนั้น คารืหัดทั้งสีก็มีโทสะนายไผ่พูดโกรธว่าท่านพูดอย่างนี้ได้ยังไงอย่างน้อยๆพวกกระผมก็อายุมากกว่าท่านน่าจะฟังกันบ้างนั่นสิท่านน่าจะฟังเสียงข้างมากไม่ใช่ดึงดันอยู่คนเดียวแบบนี้เขาเรียกว่าพดตจการเราอยู่ในสมัยประชาธิปไตยนะครับนายสีมาช่วยะสมลงอันที่จริงท่านไม่ใช่คนบ้านนี้ มาจากบ้านอื่นก็น่าจะฟังเจ้าของถิ่นเข้าบ้างนี่อะไรไม่ให้เกียิกันบ้างเลยในมุมหาข้อติฉินบ้างเห็นกรรมการวัดช่วยรุมว่าสมพาน์เช่นนั้นคนเป็นมัชคนายกสงสารท่านจึงพูดขึ้นว่าพวกเองมันก็มากไปแล้วนะให้มันรู้บ้างว่าใครเป็นใครถึงท่านจะอายุน้อยกว่าแต่ท่านก็เป็นพระที่มีธรรมสูงกว่าพวกเอง เป็นผู้ที่พวกเองต้องกราบไหว้ไม่ใช่ตำหนิติเตียนท่านอย่างนี้ระวังบาปจะกินหัวพวกเองโดยเฉพาะไอม้มุมทาไมข้าพูดความจริงจะบาปบาปยังไงข้าไม่ได้มุสานินาในมุมพูดพันพา น, านยังจะมีหน้ามาเถียงก็เองไปว่าอย่างนั้นมันแสดงให้เห็นว่าเองเนรคุณทำไมเองไม่คิดในมุมกลับว่าขนาดท่านเป็นคนบ้านอื่น ยังอุตส่าห์มาสร้างความเจริญให้แก่บ้านเราถ้าไม่ใช่ท่านวัดของเราจะเจริญมาถึงป่านนี้หรือลำพังพวกเราต่อให้ร้อยปีก็ไม่มีปัญญาสร้างโบสถ์หรือใครจะเถียงถ้อยคำของมรณาโยกทำให้ผู้เท่าทั้งสามได้คิดหากทิฏฐิมานะที่แนบเนื่องอยู่ในจิตก็ทำให้ไม่ยอมขอขมาลาโทษผู้เป็นบรรพชิตสมพานตุจึงพูดขึ้นว่า เอาละเอาละยุติกันเสียทีอาตมาไม่ถือสาแต่อาตมาจะต้องชี้แจงไปตามหน้าที่เพื่อโยมจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องที่โยมสีมาพูดก็ว่าอาตมาผดเด็จการนั่นน่ะแสดงว่าโยมสีมายังไม่เข้าใจคือการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์นั้นน่ะบางครั้งก็ทำให้เกิดอันตรายได้ เพราะในบางยุคบางสมัยถ้ามีคนชั่วมากกว่าคนดีอำนาจจะไปตกอยู่ในมือของคนชั่วเมื่อคนชั่วปกครองก็นำบ้านเมืองไปสู่ความหายนะเกิดกลียุคข้าวยากหมากแพงเรียกว่าเป็นกรรมของประเทศชาติของประชาชนอันนี้เป็นเรื่องทางโลกแต่ในทางธรรมนั้นเราไม่ใช้ประชาธิปไตยแต่ว่าใช้ธรรมมาธิปไตย คือถือทมเป็นใหญ่ทำในที่นี้ก็หมายถึงถูกต้องเราเอาความถูกต้องมาตัดสินไม่ได้เอาเสียงข้างมากถ้าเอาเสียงข้างมากอัตมาแพ้โยมเพราะโยมมีกัรตัางสี่คนจริงไหมจริงครับคนทั้งสี่ยอมจำนวนในที่สุดดีมากเราต้องเอาความถูกต้องมาเป็นตัวตัดสินอะไรที่ถูกก็ต้องถูก แม้ว่าไม่มีใครเห็นด้วยเลยก็ไม่ทำให้มันผิดไปได้ถูกไหมถูกครับคนชราทั้งสี่ตอบพร้อมกันแล้วการมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เป็นการกระทําที่ดีไหมใช่ครับคนทั้งสี่คร้อยตามเช่นกันสมภารตุถือโอกาสสรุปว่าในทํานองเดียวกันการที่อาตมาเมตตาต่อกระทาชายผู้นั้น ก็ไม่ใช่ความผิดแต่ถ้าเขาเกิดทำความเสียหายให้อัตมาก็เป็นบาปแกเขาเองเพราะฉะนั้นพวกโยมก็สบายใจได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะมาลักขโมอยอะไรเพราะถ้าเขาทำเขาก็บาปเองบาปนั้นก็ไม่ได้ตกมาถึงพวกเราไม่ว่าจะเป็นโยมหรือว่าอาัตมาเมื่อสมภารพูดอย่างนี้มัรคนาย ก, กับกรรมการวัดก็แย้งไม่ขึ้น จึงถือโอกาสลากลับบ้านเรือนของตนพระอาทิตย์อัสดงไปแล้วเบื้องบุรพาิติ์พระจันทร์ลอยเด่นพ้นขอบฟ้ามารับช่วงหน้าที่ต่อในยามราตรีโลกนี้จึงสว่างสวัยด้วยแสงอาทิตย์ยามกลางวันและแสงจันทร์ยามกลางคืน จะมืดมิดไปบ้างในคืนข้างแรมหากก็ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นภิกษุผู้ซื่อตรงต่อหน้าที่ดุจเดียวกับตะวันและจันทราเดินกลับกุฏินึกเป็นห่วงอคันตุกะครั้นเห็นเขายืนอยู่หน้าบันไดจึงถามขึ้นว่าโยมหิวข้าวไหมรับประทานอาหารมาหรือยังเรียบร้อยแล้วขอรับพระคุณเจ้าอย่าได้ห่วงนิมนต์ส่งน้าเถอขอรับ เขาพูดอย่างนอบน้อมเชิญพักผ่อนตามสบายหน้าไม่ต้องเกรงใจพูดจบจึงเดินขึ้นมายังกุฏิเพื่อเตรียมสมน้ำคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยคุยกับอคันตุ ก, กะเขาเดินทางมาไกลควรที่จะได้พักผ่อนหลับนอนยังมีเวลาอีกหลายวันเพราะเขาบอกว่าขอพำนักอยู่วัดนี้เวลาเจ็ดราตรี ก็คงจะต้องซักถามเรื่องป่าหิมพานต์ว่าจะเป็นแห่งเดียวกันกันกบที่กล่าวไว้ในเรื่องเวสต์ดรชาดกหรือไม่บางทีขาชาชายผู้นี้อาจจะมีอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังก็ได้รุ่งขึ้นเป็นวันพระสมภารตุไม่ต้องไปบินทบาทเนื่องจากชาวบ้านจะพากันมาทำบุญเลี้ยงพระในวันฤดูเข้าพรรษาเมื่อญาติโยมประค r พระทหารแต่พระสง์เรียบร้อยแล้ว ภิกษุทั้งสิบสองรูปก็ลงมือฉันคงมีแต่สมภารเท่านั้นที่ยังไม่ยอมแต่ต้องพัตนารตรงหน้ามีใครนำอาหารไปให้แขกของอาตมาหรือยังท่านถามมรคนายกยังหรอกครับรอให้พระฉันเสร็จก่อนและผมจะให้เขานำอาหารที่เหลือไปให้ท่านสมภารไม่ต้องห่วงแต่อาตมาไม่อยากให้เขากินเดนนะช่วยจัดไปให้เขาด้วย ท่านสั่งไม่มีอาหารเหลือหรอกครับเราประเคนพระไปหมดแล้วต้องรอให้พระฉันเสร็จก่อนค่อยเอาไปให้มคณากไม่ยอมทำตามรู้สึกไม่พอใจที่สมภารตุให้ความสำคัญกับเจ้าหมอนั่นมากเกินไปถ้าเช่นนั้นอาตมาจะเอาของอาตมาไปให้เขาอาตมาไม่ฉันก็ได้ พูดจบจึงยกถาดบรรจุอาหารหวานคาวลงศาลาไปชักจะทนไม่ได้แล้วนะทำไมท่านสมพันธ์ถึงให้ความสำคัญกับไอ้ขอทานนั่นนักดูสิอุตสาเอาอาหารตัวเองที่กำลังจะกินไปให้มันฉันความโกรธทำให้มัคนายกใช้คำสับกันระหว่างกินกับฉันในายจึงถือโอกาสนินทาสมพานล์รับหลังนั่นสิ ท่านเห็นมันสำคัญกว่าพวกเราที่พวกเรายังให้กินที่พระฉันเหลือได้ทำไมมันจะกินไม่ได้สมพานทำอย่างนี้เท่ากับไม่ให้เกียรติพวกเราดีที่นายีมากับนายมุมเกิดป่วยจึงไม่ได้มาวัดมิฉะนั้นคงได้ร่วมวงกันนินทาสมพานด้วยเป็นแน่เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่งยกถาดอาหารขึ้นไปบนกุฏิ แล้วก็วางลงตรงหน้าอาคันตุกะกล่าวว่าเชิญรับประทานอาหารคงหิวแล้วสินะขอบพระคุณพระคุณเจ้าเขากระพุ่มมือไหว้แล้วลงมือรับประทานอาหารสมภารตุเดินกลับไปที่ศาลาเพื่อรอยะถาสัพพีปล่อยให้อคันตุกะจัดการกับอาหารตามลำพังเมื่อมาถึงศาลาภิกษุสิบสองรูปยังฉันไม่เสร็จจึงนั่งรอ อยู่ที่ของท่านซึ่งอยู่หัวแถวพระลูกวัดพากันฉันอย่างเพลิดเพลินด้วยว่าจะฉันกันอิ่มปากอิ่มท้องก็เฉพาะในพรรษาเท่านั้นส่วนวันอื่นๆและวันพระนอกพรรษาไม่ค่อยจะได้ฉันอิ่มนักเนื่องจากชาวบ้านแถบนี้ค่อนข้างยากจนวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วพระอาทิตย์กับพระจันทร์ผลัดกันลงผลัดกันขึ้น จึงมีกลางวันและกลางคืนสลับสับเปลี่ยนกันอย่างนี้มาช้านานและแล้วเวลาเจ็ดวันก็ผันผ่านอาคันตุ ก, กะที่อ้างว่ามาจากป่าหิมะพานจึงกราบลาท่านสมพานหลังจากที่พำนักอยู่เจ็ดราตรีตามที่พูดไว้จะไปแล้วหรือยังไม่ได้คุยกันเลยอาตมาโมแต่ยุ่งเรื่องการก่อสร้างเลยไม่มีเวลาคุยต้องขออภัยด้วย ค้างอีกสักคืนเถอะนะจะได้คุยกันท่านชวนรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้สนทนากับเขาดังที่ตั้งใจไว้ไม่ได้ขอรับกระผมเคยกราบเรียนว่าจะขอพำนักที่นี่เจ็ดราตรีเมื่อครบแล้วก็ต้องขอลากระผมรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของพระกุณเจ้ายิ่งนักถึงกระนั้นก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากสิ่งนี้ เขาเอามือล่วงลงไปในย่ามละวะหยิบของสิ่งหนึ่งที่ห่อด้วยผ้าขาวออกมาถวายของสิ่งนี้กระผมได้มาจากป่าหิ ม, มพานต์ขอพระคุณเจ้าโปรดเก็บรักษาไว้อย่าได้นำไปให้แก่ผู้ใดเพราะผู้ที่จะครอบครองสิ่งนี้ต้องเป็นผู้มีวาสนาเท่านั้นพร้อมกันนี้กระผมถือโอกาสกราบเรียนว่าพระคุณเจ้าคิดจะทาอะไรก็จงทาเสียให้เสร็จ สิ้นภายในสามปีกระผมขอกราบเรียนไว้เพียงเท่านี้ขอนมัสการลาเขากราบสามครั้งแล้วก็ลุกออกไปสมภารตู้มองตามกระทั่งเขาเดินออกไปทางประตูด้านหลังวัดจึงแก้ห่อผ้าขาวออกดูก็รู้ว่าเขาให้อะไรไว้สิ่งที่สายตาสัมผัสทำให้ท่านตกตะลึงงานพูดกับตัวเองว่า นี่มันนารีผลนีนาแล้วจึงเดินไปที่หน้าต่างร้องบอกคนงานผู้หนึ่งว่าโยมช่วยเรียกชายคนนั้นมาทีบอกว่าสมภารให้มาหาคนไหนครับคนที่เดินออกประตูหลังวัดไปเมื่อกี้นี่น่ะไปเรียกมาให้หน่อยชายหนุ่มจึงวางมือจากงานที่ทำเดินออกประตูหลังวัดไปประเดี๋ยวหนึ่งก็มากราบเรียนสมภารว่า ไม่เห็นมีใครสักคนนี้ครับมีแต่ต้นข้าวเขียวขจีเต็มทุ่งไปหมดสมพานตุ๊รู้ในทันทีว่าคาถาชายผู้นั้นมิใช่คนธรรมดาแต่เพื่อความแน่ใจจึงเดินไปดูที่เขานอนหน้าประหลาดที่กลิ่นสาบสางกลับกลายเป็นกลิ่นหอมที่นาสิกประสาทของท่านไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนท่านกลับมานั่งที่เดิมแล้วพิจารณา นารีผลอีกครั้งแม้จะอยู่ในสภาพแห้งเหี่ยวหากก็ยังมีความงดงามหลงเหลืออยู่ลักษณะเหมือนผู้หญิงสองคนนอนขดตัวเข้าหากันมีอวัยวะภายนอกเหมือนกับคนทุกๆุกประการปิดกันตรงที่นิ้วมือกับนิ้วเท้าซึ่งมีลักษณะเรียวยาวเหมือนลำเทียนไม่มีข้อ นิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยยาวเสมอกันส่วนนิ้วหัวแม่มือยาวประมาณครึ่งหนึ่งของนิ้วอื่นๆมีศีษะมีขั้วคร้ายขั้วมังคุดลองดมดูก็ได้กลิ่นหอมกรุ่นกุนเหมือนกลิ่นน้ำอบไทยภิกษุวัยห้าสิบเศษพูดกับตัวเองว่าคาตาชายผู้นั้นจะต้องเป็นเทวดาอย่างแน่นอนคนเดินดินฤึจะนำนารีผลมาจากป่าหิ ม, มาพานต์ได้